อันนี้มุงตั้งใจฟังการฟังเมื่อตั้งใจฟังแล้วเกิดประโยชน์ขึ้นแกตัวเราถ้าหากฟังไม่เป็นมันก็นำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แกเราการฟังมันมียูสสองอย่างหรือสองความหมายควหมายหนึ่งนั่นฟังตั้งใจฟังแล้วเพื่อจะมาดัดแปลงแก้ไขตัวเอง การฟังแบบหนึ่งท่านฟังแล้วเก็บเอาเรื่องนั้นอันนี้มาคิดแล้วเลยเป็นความทุกข์บได้แก้ไขตัวเองมาเป็นคมทุกข์ซื่อๆ น, นั่นเป็นทางการฟังแต่นัการปฏิบัติท ร, ร ม, มานั้นมีอยู่หลายอย่างเนผมเคยทามาพทุทโธนั่งขัดสมาธิหลับตาตั้งตัวตรง แล้วกภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้คดีคมทำมานานอัน น, นี้จากนั้นมาทำสัมมา阿拉หังก็เเมือนกันนั่งสมาธิตังต้งตัวตรงแล้วก็หลับตาอันเดียวกันทั้งนั้นพองโุบอาณาปานาสตินับหนึ่งสองสามถึงสิบ หายใจเข้าหายจะออกทางนั้นนับตั้งสิบลงมาถึงหนึ่งอันเดียวกันเมื่อขับผมผ่ามาเรื่องแพนี้แล้วก็นับตั้งแต่หนึ่งไปถึงยี่สิบนับตั้งแต่ยี่สิบลงมาถึงหนึ่งเรียงตัวกันไปให้มันทูกกับลมหายใจดีทางนั้นมันได้ความสงบมันบบได้เกิดปัญญามันเลยโบรู้ผิดโบรู้ทุกขรู้ตั้งแต่ความสงบเท่านั้น เมื่อออกไปข้างนอกมีคนมาพูดให้เรามันเกิดพอใจตีใจมันเป็นอย่างไรมันเลยแก้ปัญหาตัวเองบอดาพรมสแสวงหาการปฏิบัติธรรมเพื่อมาแก้ปัญหาตัวเองครับบุญม่ใช่ไปแก้ปัญหาผู้อื่นแก้ปัญหาตัวเองแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาสังคมต้องแก้ตัวเองก่อนครับ เมื่อแก้ตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาครอบครัวได้แก้ปัญหาสังคมได้อย่างพระทรงองค์เนนก็คือการแก้ปัญหาตัวเองแล้วก็จะแก้พวกมู่แก้พวกมูนเสําสคัญครับสำคัญแก้ตัวเองเมื่อตัวเองแก้ตัวเองโบได้จะไปแก้พวกมูนโบได้แต่เรื่องเพราะมันเก็บเอาเรื่องของมู่มาแบกมันเข้าเรื่องขาจาวาขนแบกโลกอลยยิ่งแบกก็ยิ่งหนั ก, ก เมื่อมีคนทักว่าอย่าแบกมันหนักมันเกิดว่าตัวกูของกูนะคระเจะรอให้ฟังค่ัขยับเข้าขยับเข้าคนที่สุดโลกทับโลกโลกในทับหัวตายโลกทับดัดวีวารก็เลยตายตายเพราะกแบกโลกแบกโลกว่ม่ใช่ไปแบกให้มันหนักอย่างที่แบกดินหรือแบกต้นไม้แบกอะไรต่างๆบนแบกแบบผมคิด ผมคิดคนเมา อ, อยู่แต่เก็บมาแบกทั้งเมื่อเนี่ยคือคนแบกโลกบอดีผิดทุกนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่เราพอได้ได้ยินเสียงเรื่องอะไรต่างๆเราสลัดเท่งสลัดเท่ ง, งบอกมาแบกบอกมาคิดแต่เราต้องรู้จักว่าเราทําดีหรือเราทําซั่วเราทําิพิดหรือเราทำทุกขอันนี้ที่เป็นการปฏิบัติธรรม ถ้าเราทำดีแล้วคนอื่นว่าซัวมันไม่ได้ซั่วอยู่กับคำพูดนี้ซัวอยู่กับตัวเรามันนี่ถ้าเราทำซั่วแล้วคนอื่นว่าดีมันไม่ได้ดีอยู่กับคำว่ามันดีอยู่กับตัวเราดังนั้นก็ื่อจะว่าให้แก้ตัวเหาก่อนเรื่องคำพูดนั้นโบสำคัญเมื่อแก้ตัวเหาแล้วมันสบายแล้วตัวเหาเพื่ออยังให้รู้จักว่าแก้ตัวเป็นอะไรวิธีปฏิบัติธรรมะมันหลายเรื่องครับ วิธีเดินไปเดินมาเดินเบาๆอย่าไปเดินแรงถ้าอยู่ร่วมกันขุติเดียวกันสองคนนอนตื่นทําตัวเบาๆอย่าให้คนอื่นรู้สึกตัวถ้าเราสิโบอยากปุกจยากคนกันกันออกมาเบาๆเปิดประตูเบาๆล้างหน้าเบาๆหากที่เธอน้ํำลายเนี่ยทำเบาๆทั้งนั้นคําว่าเบาๆในโบเม่นเบาในเฮ็ดค่อยๆบเให้มูโบให้มูหูจักให้ว่าจะไป ถ้าเราจะลุกถ้าเราโบลูกล้วก็นอนอยู่ในท่านเด็กนั่งนั่งอยู่ในกุฏิเรานั่งอยู่ในมุงก็ได้วิธีนั่งหลายนอนนอนกุฏินังเดียวกันถ้านอนกุฏิผู้เดียวไปนีกวลุกออกมาพยาาพยายามเป็นลูกขวนมู่นอนตื้นเดึกนอนตื่นดึกอย่างน้อยก็ต้องตีสองตีสามเนี่ยผมปฏิบัติผมนอนตื่นอยา่างนี้ฝึกหัดเลยครับการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกหัด ฝึกหัดตัวเองทดลองเบิ้งมันฝึกได้บอสเมื่อเราฝึกหัดตัวเองได้ผลอุกต้องฝึกได้เมื่อเราฝึกหัดตัวเองบัวได้จะไปฝึกหมูนฝึกบัวได้แต้แคเรื่องมูนดังนั้นการปฏิบัติธรรมะนอนให้มันเต็มที่นอนมากๆคําว่านอนมากก็ไม่นอนทั้งวันทั้งคืนเนีค่ครับทลางวันก็นอนกลางคืนก็นอนบัวแมนคําว่านอนมากนี่เราปกติรมวัด เดมนหรืธรรมะเศร้าเราเพียงมาฟังฟันแล้วออกไปับไปทำธุระพอได้ยักนอนนอนหลดใครที่พูดเส้นกระทำสร้างคนอื่นน่ะเราต้องนอนเต็มทีเลยนอนนั่นคือว่านอนให้มันหลับไปหลดนอนหลับคนเน้นจะอาจจะโบคือกันกระไดและจีคือกันก็น ไ, ดกนกนได้ครับนอนแล้วมันหลับไปเลยหลับไปอย่างสนิทครับหลับโม่ฝันโม่อย่างสบายไปพอได้นอนตื่นมาปุ๊บ อมืมันตื้นขึ้นมาแล้วมันลุกโหลดโมลุกของเรพยายามทําคนเพียรอยู่ในมุ้งไหนบอลฮันนอลที่นอนทําก็ได้นั่งทําก็ได้ถ้าฝึกหัดดีบัด น, นี้เนะราฝึกหัดอย่างสัน้นถ้าถ้าเราฝึกหัดอย่างสัน้นแล้วบัดนี้นอนเราจรึงรู้จักว่านอนหลับเต็มที่แล้วบ้านมันจะตื้นมันมันต้องมีมีการเพกไหวในตัวคนเพชรคุณครับ มันคิดฝันบุเรื่องมานคิดเป็นยัครับแล้วก็สังเกตตัวเองครับนี่มันเป็นเป็นวิธีสอนเฮาทั้งนั้นเรื่องมนี้ครับบุญแม่จีนเทีมาทําให้เฮาบุญแม่จีนเป็นเทวดามาทําให้เฮาผลที่สุด พ, พระพุทธเจ้าเองก็ทําให้เฮาบูได้เรื่องอันนี้เราต้องทําเองครับเราต้องฝึกหัด ต, ตัวเราเองลองเบิ้งเป็นระยะเตืนเอนออกมาแล้วถ้าหักมู่มาทําวัดเขาก็ทันหมู่ คนเขาฝึกหัดไปเลยนี่บางคนนอนตื้นใส่สายคำว่าใส่สายในบ้านผมเรียกว่าสวยๆนอนตื้นสวยแห้เป็นโยมกระโทถันหมู่ที่ไปทํามาหากินกระโทถันหมูงอันนี้พอเราให้ฟังนอนตื้นดึกไปถ่ายอุจจาระกับไปไกลๆครับบบได้ไปไๆลนอนตื้นสวยแล้ววันนี้กี่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันคนหลายนะครับไปไกล ๆ, ๆคนไปไกลๆถ้าคนเห็นเนี่ไปไกลครับ เป็นวางกันพอเราให้ฟักแต่ไม่อย่างน้อยท่านสอนท่านสอนเล่นๆหรอกแต่มันเป็นความจริงครับการไปทํามาหากินก็เหมือนกันถ้าเฮาตื้นสวยแล้วของดีอันใดข้าเจ้าที่เอาไปซื้อไปขายเขาเจ้ า, เาไปขายหมดแล้วห่อในโบรทณานถ้าเฮาตื้นเด็กมันเสียมันยกไก่เฮาไปซื้อเอกาก้อนเป็นอะไันฮันแต่ไก่เราก็ไปเอาแล้วของมันบ่ม่เป็นตะเอาแล้วเฮาเอามาแล้วอันนี้เป็นวาเลย มันมีซองคำกลับกันครับให้ทำย่างตัวกาตะมันวนะันแต่อย่าเอาตัวย่างของกาเพอรอให้ฟังกามันตื้นเดืกมันหากินมันกินหลายแล้วมันคิ้รักกาเนี่ยรักกินหมกเพาแดกคนไปให้ไปมารักกินห่อเขา้าคนไปให้ไปนาบ้านคนเปนครับแต่มันตื้นเดืกหากินเก่งแต่มันกินเก่งแล้วรักอีกด้วย แล้วให้เอาตัวอย่างของกาคือเติ้นเดืกอกญาไปเอาตัวอย่างของกาคือลักกินกับฮองดุโมเดนแนวอันนี้พอผมเล่าให้ฟังอันนี้แต่ตทําอย่างกาแค่ญาติอาเอาตัวอย่างของกาเฮาก็คือการเติ้นเดึกตื้นเดือกหล่อนคอยลางหน้าล่างตา ท, ทําธุระของเฮาเนนกระทําได้พาคกระทําได้ญาติโยกกระทําได้แม่ขาวแม่ดําทําได้ทั้งนั้นถ้าหางคิทํา ถ้าบวชทำบวเป็นยังซิ่งเราเนี้ยเมันบวผิดกฎหมายบวแไม่คนรจับเข้าไปใส่คุกใส่ตารางมิยังถ้าเะาักฝุดตัวเฮานั่นก็ต้องฝึกเท่านั้นเองผมบวชไม่ทุาท้าล่ไปแบกอันนั้นท่านอ่างนี้ผบวเอาบวชแบกอย่างนั้นอย่างนีผมเพียงจะเป็นผู้แนะนําสอนสืบเสือเล่าสู้ฟังให้ว่าจ่อไปซึ่งที่ผมเคยทํามาอย่างไรผมเล่าสู้ฟังเดียวกันผมเคยเล่าให้ฝังผมไปปฏิบัติธรรมอะ เรื่องผมที่เอามาวอล์าสูมูฟังเนี่ยผมนอนประมาณจากสองโมงสามโมงเท่านั้นละก็แล้ว <c oughs> ตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุกทำผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วผมมารู้สึกตัวเกิดมีความคิดมีสติปัญญาพอที่จะรักษาตัวผมได้ประมาณตีห้าครับตีห้าผมรู้สึกตัวผม นี่ว่าผมรู้พอสมควรให้ว่าได้ไปหรักษาตัวเราได้มาสักคิดในใจตัวเองแลียกกระทุกคนถ้าหักผุดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้ทั้งหมดทุกคนบรยกเวรผมยังเปรียบไปเม็ดข้าวเป็นข้าวเปลือกข้าวเจ้ากับ้างข้าวเหนี่ยกวกัาตามถ้าเอาไปลงใส้ดินที่ซุ้มที่เย็นงอกทุกเม็ดคันเป็นข้าวเลีบเข้าวบวมีในข้าวเจ้ากับซางข้าวเหนี่ยกัาตาม เอาไปใส่ที่สุ่มที่เย็นเปื่อยเนา่าที่มซื่อบ่ง อ, อกมันบ่มีไหนผมว่าคําำนี่ว่ากับหมายถึงว่าเว้าวแล้วบ่จำจำจำดรอกจําเอาไปคิดอย่างอื่นบ่มเอามาปฏิบัติเมื่ออามาปฏิบัตินั่งกำหมายถึงไม่เข้าเติอคันบ่มเอามาปฏิบัติก็เป็นไม่เข้าเล็บครับมันเป็นคําสมมุติที่เอามาเล่าสู่ฟังเท่านั้นซื่อพอเดทรู้กออกมาอย่างนั้นนะประมาณ หกโมงนี่แหละครับหกโมงนี่ผมเกิดความคิดเกิดความรู้รู้ไปร้อยอันพันย่างรู้ออกจากนอกตัวไปได้บนี้รู้นอกตัวไปแล้วก็รู้เรื่องโลกเลยบนี้ครับรู้ไปถึงใต้น้ำใต้ดินไปูต่ ห, หู้จักอะไรมันคิดไปลืมมัดสิ่งหนึ่ะรู้แล้วมันลืมรู้แล้วมันลืม ม, ล ม, มีแต่พูดให้ผีฟังพูดให้เทวดาฟังอันพูดให้ผีฟังกรหมายถึงว่าแสดงทำมาให้ผีฟังนั แสดงธรรมะให้เทวดาฟังนั่งอย่างนั้นยืนอย่างนี้มันคิดไปเองครับแล้วพีกระโบยเห็นเทวดากระโบยเห็นความจริงแล้วพี่คือทําซัวพูดซัวคิดซัวเทวดาคือคนทําดีพูดดีคิดดีมันอยู่นี่รู้แล้วได้ครับมันหักลืมไปบ้มามันที่เป็นมันลืมอันนั้นมันจะเข้าไปในความคิดมัเจนตกเย็นพี่นะครับไปอาบนา้ำไปอาบน้ำรุ่นแรงมาย่างไปย่างมา อย่างที่ผู้หอย่างเนี่ยเรียกว่าเดินจมก้มมาสัมผัสยางยครับพวกเคยรู้ความคิดตัวเองอันความรู้กับความรู้ของคิดนี่คนละอันกันเนี้ยอยากเข้าใจว่าเป็นอันเดียววันนี้เรารูกการเคลื่อนไหวทิศมือขึ้นข้อมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังพิศตาอ้าปากคืนน้ํำลายไปในลําคอนี้หายใจเข้าหายออกอันนี้มันรู้ครับมันบดเห็น บุญของคิดพอดีมันรู้อันนี้รู้ไปให้ว่ารู้ให้หมดนั่นนะครับเรื่องสมมติเนี่ยผมรู้หมดเลยมันเลยบุ่ยเห็นข่มคิดมันรู้ได้อันนี้ยบ่เซเบุรรร่เซเเห็นของคิดได้มันรู้ซื่อได้อันเนี้รู้เรื่องนี้มันกันเลยเมด่หมดครบแบบไหว้พีไหว้เท ว, วดาเสื้อเลือกงามยามดีเนี่ยผมมดแท้ๆเม่อมสงสัยเรื่องพวกนี้มันรู้อั น, นแต่มันบ่เห็นของคิดมันเป็นปัญญาอันนึง่ง เรื่องสิ่งเสตติดมือเมาเนี่ยผมเลิกได้ทันทีผมรู้ได้ครับข่าวนั้นผมติดบุรี่หนักครับสูบบุรี่ในมือจะแดงนะครับสูบบุรีอยากกระปองคนสูบบุรี่ไปที่ไดใกล้ๆกับศาลปางถ้าผมไ่ได้สูบบุรีเดี๋วผมเอาดังสูบออกมันส่ก็มีแหงครับมันติดเลยครับตอนนั้นมันเป็นพอเรรู้เรื่องนี้เราเลิกมือ น, นั้นเลยบุรี่อยู่ขกคข้างนี่นกับอ้าวมึงสูบมึงเลื่นสูบบุลี บนดุญญาให้จัดจับเอามึงด้วยสัญญาอาปากอาโบไดผมทําตัวของผมมึงมัดทุกอย่างตลอดเอามาใส่ปากแล้วเอาสุปมึงด้นสซุปโบไดบมมีไฟเอาจุดไฟเข้ามามึงด้วยซุปโบไดคั่นยัง้บรอนุญญาให้สุปผมเป็นมันรู้อันนี้ครับมันเตรียมเพียงแค่รู้อันนี้โบได้เห็นเขาคิดก็เลิกไดทันทีเลยโอ้บาดใดมันเรื่องมันที่มันเป็นบางที่ผมรู้อย่างไผมจึงนํามาเล่าสู่หมู่ฝัง ตกเย็นเทพไปอาบน้ามาคล้ายๆคือมันมีคนผักค้างเนี่ยดันค้างวูบหนึ่งครังที่แล้วผมซอกหาคนเอ๊ะมีอย่างมาผักค้างมาซุกค้างแล้วนี่นั่นม่วเห็นมีอย่างผมคิดเลยว่าเป็นตนว่าเป็นโตครับครังที่ครั้งที่สองมารู้สึกตัวโ้ผมคิดแล้วนีมันคิดมาจากใสายหาว่าเห็นเลยมันจีิงเห็นเป็นตนเป็นโตจะได้ผมคิดอ่ะครั้งที่สามเนี่ยผมรู้เลยครับอ๋อ ผมคิดมันเป็นอย่างแท้ๆผมรู้จักผมคิดผมเองรู้แท้ๆด้วยครับว่าเป็นรู้เล่นเนี่ยรู้เห็นเข้าใจนี่เป็นอย่างว่ารู้จํารู้จักรู้แจ้งรู้จริงตอนนี้มันรู้แจ้งรู้จริงครับพอดีรู้คมคิดผมก็เลยรู้จักสมุทฐานของผมคิดต้นเหตุของผมคิดผมรู้จริงๆครับรู้สิ่งนี้นะผมก็เลยเออผมโกตรควมโลภผมหลงนี่มันเป็นทุกข์ มันพุกเพราะตัวนี้พี่เด้เมื่อเห็นเรื่องรูปนามนั่นได้โอ้มันเป็นส ม, มุทรานเป็นพื้นๆบัดมารู้ตัวนี้แล้วอ๋อมันแก้ถูกแก้ตัวนี้พี่แก้ตัวคิดพี่พอดีมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บมันเป็นอย่างนั้นเพ่นันว่าไว้เรื่องขนแบกโลกเมื่อกี้คนแบกโลกมันยิ่งแบกก็ยิ่งหนักเมื่อมีคนทักตัวกูของกูขยับเข้าไปมู่เป๋ห้ามว่าอย่าแบกมันนะักโลกเนี่ย มันเป็นตัวครูของกูแบกกันหนะักเข้าไปนี่เนี่ยก็คอกานยอย่าทึกทักว่าเฮาพูธรรมะเฮาหูน้น้อยอย่าทึกทักเอาเองว่าอู้รู้แล้วธรรมะเนียงอันนั้นรู้ยุ้ครับแต่มันแก้ทุกบ์ได้ให้เขาพยายามปฏิบัติตัวเฮาให้มันแก้ได้ถ้่จริงๆถ้าแก้บม่ได้มันลําบากมันทุกข์โอมทุกข์ไม่แม้ทุกขอื่นเฮ็ดหให้เฮาเฮ็ด เ, เอาผู้เดียวเฮาเฮาสร้างเอาผู้เดียวเฮาเฮายุดแล้วก็แล้วไป ถ้าเขาพอหยุดยิ่งทําเข้าไปเขายิ่งทุกข์เข้าไปเป็นอันนี้มู่ได้ที่เขามาประชุมกันเีทํารมะเต้าทธรรัดเจ็นผู้ดได้ว่าวต่างใดหอนหลับฟังแต่อยา่าไปแบกคันผู้ได้ว่าวที่ได้เลิกกลบมาแบกเขาเมื่โอ้เต็มที่แล้วอย่างที่ผมว่าให้ฟังเมื่อเต้าว่านี้ครับบาทอยู่ในแข้งบนอื่นโบ๊บ๊ะสำคัญเท่าใดครับอันนี้พอเราให้ฟังเต็มเมื่ออย่างน้อย การเป็นบาดตปหน้าแคงเนี่ยเขายางไปให้ไปนาไปแต่เสาใบหญ้ามันผ่านมันทูกนักแคงให้คิดว่าบดอื่นมันบุอยากไปถูกใบไม้หรือใบหญ้ามันอยากไปทูกแต่บนบาด ท, ท่านนะครับอันนี้ให้เข้าใจว่าเราไปเก็บเอาเกิเป็น เ, เรื่องอื่นมาคิดบาดอยู่หน้าแคงเขาเนี่ยเขาต้องแก้ตัวเขาพิช อ, อย่าไปแก้ผู้อื่นเขาพูดีบนไดขอยบงตัวโอ้ดีแล้วถึงเฉยได้เขาดีบนไดท่านเขาเฉยได้ อันนี้ใครผู้ใดว่าวยืย่นแสดงเก็บมากูผิดอันนั้นกูเฮ็ดอันนี้กูดีแล้วมู้ยังว่าอันนั้นลราแบกแล้วน่นะเราคนแบกโลกเราดีแล้วจะไปเก็บมาคิดทำไเราซัวแล้วต้องแก้ท่านเองที่ผมว่าในะบไม้มันต่แต่บา ท, ทมันถึกไปบา ท, ท่านทอันมาอย่างนี้บุรู้จักผมนี่มาเตีกเทียอีกแบกหนึ่งว่าเหมือนกับเซียนกับน้ำมันตําเขาบ้านผมนี่ว่ามันปักมันใส้หนองมันเป็นหนอง มันเจ็บแต่ความจริงเขาอยากเอาเสี้ยนเอาหนามนั้นออกแล้วไปหามือเอาเข็มมาต่อไปลายหนามฮันว์เจเจ็บเจ็บว่าสิคนที่สุดเอาออกบัได้บางคนมันเจ็บหลายเลยบัวให้หมือ อ, ออกเสี้นหนามก็เลยปักอยู่หัลวตลอดเวลาบางคนผู้สลัดบัวเจ็บคนผู้ที่เมาออกให้เขาเออบนทัล น, น์หนะเออต่อบนทัล น, น์หนะเนี่ยเขจกักเจ้าของมันเสี้นปักเจ้าของกี่นนส จะเอาเชียนเอาหนาปอกให้เขาแล้วนอนหรืออันที่มันเจ็บข้างหนก็เลยหายไปไว้ครับอันนี้ก็คือกันเปียบเทียบให้ฟังซื้อๆ อ, อย่าไปเอาเรื่องของคนอื่นมาแบบให้เขาแก้ตัวเขาอันนี้ให้แก้ตัวเขาอย่างนี้การปฏิบัติธรรมนั้นถ้าหาว่าทำได้ดีนอนให้มันหลับเมื่อคือกลางวันอย่าหลับถ้ามันอยากหลับกลางวันแก้ตัวเองไปทําการอันนั้นทํางานอันนี้ การทำงานไม่อันเดียวกันนี่ครับบ้านผมเนี่ว่าทําการทํางานอเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เฮ็ดนั่นก็ทำนั่นแหละครับทําอันนั้นทําอันนี้บ้านผมนี่ว่าเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ทางบ้านอื่นเมืองอื่นว่าทําอันนั้นทําอันนี้อื่นก็คำเดียวกันบ้านผมนี่ว่าเฮ็ดมันก็เลยหายง่วงหลับง่วงนอนนั้นไปแล้วกำมาดูดูตัวเราดูความคิดเรากลางคืนนอนให้มันหลับก็นนี่ หลับอย่างที่ผมว่าขันตนหลับจริงๆเนี่ยหลับจนเงินบบฝันอย่างคุณ่ะพอเดีมันฝันปุ๊บมันตื่นต้อไปมันจิเป็นเนี่ยแต่มันจิตฝึกไปมันเป็นเองครับฉะนั้นธรรมะโบแมงที่เป็นตนเป็นโตไม่เห็เห็นในโบแมนกระตัวคนทุกคนอะเป็นธรรมะทำดีทำั้วเาว่ากันเนี่ยธรรมะคือค้นอย่างว่าคิดดีคิดซ้วเน่ยมันโบแมงจิตเป็นตนเป็นโตมาเห็นดวงแก้ว เลยเห็นพระพุทธรูปเห็นสีเห็นแสงอันนันเข้าใจไปคนละเรื่องคนผู้นั้นแปลว่าบุยเห็นความคิดตัวเองไปเห็นดวงแก้วเห็นพระพุทธรูปลอยมาบุยเห็นความคิดตัวเองในอันความคิดมันหลอกครับเห็นสีเห็นแสงเห็นที่เห็นเทวดานะแม้นบ่้ยเห็นความคิดทั้งนั้นมันหลอกมันเป็นมายาตามเท่าที่ผมได้ปฏิบัติมาครับ เมื่อมาเห็นความคิดรู้ความคิดเข้าใจความคิดสัมผัสกับความคิดได้ดีมันนึกมันคิดอะไรกับรู้มันก็เห็นมันก็เข้าใจสัมผัสได้โอ้เรื่องน้อยๆเรื่องนิดเดียวเท่านั้นเองครับแต่คนบอเข้าใจเรื่องนี้เท่านั้นเองผมก็เลยโอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดแปดมื่นที่ผ่านพัทธมคัพระสูตรพระวินยัยพระพิธรรมรวมควมมาแล้ว อยู่ที่กายวาจาใจถ้าพูดง่ายๆเนี่ยพูดสั้นๆดูใจนะบัดเดียวรถเดียวเรื่องดูใจเป็นเรื่องสําคัญพอดีมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บผมเลยไปเปรียบไปนักมวยขึ้นไปเวทีบ่ต้องไหว้ครูครูต่อสู้มาตกปับ๊บใส่ลุมตาโหลดใส่ลุมตาแล้วมันมึนตาโบ้ได้มันโลมโหลดครูต่อสู้อันนี้ก็คือการพอดีมันคิดปุ๊บ เหตุมันหยุดโลดหันขึ้นไปคู่ต่อสู้บนมีว่าแต่ตัวแก้งท่นเมื่อไปถึงคู่ต่อสู้มาซกบุธึกจักเยือมีแต่เขาซกเอานอกขัดซกเป็นคำเดียวเลครับเรานั้ลมเอาทุกครั้งทุกครั้งไปคนที่สุดแพ้หันบ้านผมนี่ว่าแพ้ชนะนี่ว่าแพ้อันนี้แพคือถือว่ากลัวว่ายานมาแพ้บ้านผ ม, ม น, นี่นะท่นดังนั้นฝึกหัด ธรรมะเนี่ยฝึกหัดกับปู่ต่อสู้วันนี้ทีไปต่อสู้คนภายนอกต่อสู้กับความคิดคนในมันคิดเออเนี่ยคิดมาแล้วเห็นรู้เข้าใจสัมผัสได้ความคิดมันพุ่หยุดทันทีเมื่อความคิดมันหยุดแล้วหอกกระโบดได้พุ่งปรุงแล้วอันปรุงนะนเพื่อนๆสังขารเป็ว่าการปรุงแต้งสังขารคือรูไ ก, กายในอันนึงอันนี้มันเป็นส่วนนอกสังขารการปรุงแต้งเพื่อนอีกตัวหนึงนีง่ สังขารการปรุงแต่งโตคมคิดพวกนี้มันปรุงแต่งมันแป้งมันปรุงให้ทุกให้สุขให้ดีให้ซั่วมันเว้าออยู่คุณผู้เดียวมันเขาบ่วเห็นมันเมื่อบัวเห็นมันแล้วก็เข้าไปในความคิดอันนั้นมันเข้าไปแล้วก็ออกโมเป็นแล้วก็ทุกอยู่ตลอดเวลาเมื่อกับคนเข้าท่ำเขาท่ำนี่ว่าเจ้าของเห็นท่ำหรืบัเห็นมันอยู่ในท่ำนั่เลยมันมือตึ๊บอยู่นี่แล้วเขาออกนอกท่ำเขาออกมานอกที่เขาเห็น เห็นปากถ้าเห็นในถ้ำเนี่เป็นอันนี้เขาออกมาจากขมคิดพอเดีมันคิดออกนอกขมคิดเลดเบึง่งผมไม่เอาตาเบึ้งเน๊ยมันเป็นตแต่ของมันบ่มีอังกีวอว์ให้ฟังให้เอาสติก็ได้เอาปัญญาก็ได้เบิ้งขมคิดมันคิดเห็นรู้เข้าใจขมคิดทุกหยุดลด ท, ทันทีอันนี้เว้าให้ฟังนนวาวให้ฟังได้จําเป็นเอินรู้จา รู้จำก็รู้จักรู้จักเพื่นว่าให้เบิ้งคิดรู้จำรู้แจ้งว่าสินเห่ารู้เองรู้จริงว่าสินเหารู้เองฉะนั้นเป็นว่าสันทิโกสันอันผู้รู้จักเพื่นเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นยุคใดสมัยใดก็เป็นอยู่จังสันมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมันก็เป็นอยู่จังสันเมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมันก็เป็นอยู่จังสันขอให้ใจมีคน คันเป็นคนแล้วมันคิดถือกันมดพระเด็งก็คิดถือกันญาติยังก็คิดถือกันคนไทยคนจีนคิดถือกันมดทางนั้นคนฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษคนขมินคนยนคนเราคิดถือกันมดเรื่องความคิดบูผิดกันอันนี้จึงว่าธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้านั่นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ว่ามีคนซอกคนมันบุพเพบุตเห็น เมื่อมีคนมีปัญญาคนพบคนเห็นโบเมนปัญญาศึกษาเราเรียนจบพราใจเป็นดอกบุบแมนอันนั้นเนี่ยโบเมนเทพเคยได้ยินแน่พระโอทิระบลาลป่าเรียนจนจบแต่โบเคยดูของคิดตัวเองเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเคยมาทางกรุงเทพเรียนจบปริญญาเอกได้หลายแผ น, นทุกเกือบตายเนี่ยอันนั้นโบเมนเทศมันปัญญาแก้ทุก ปัญญาแก้ทุกเนบูมากนน้อยเพรามันคิดมารู้เอิญเอินรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จะเอาสนะมันได้ก็เหมือนกับนักมวยเนี่ยขึ้นในเวทีแล้วบ่วต้องไหว้ครูบ่ต้องไปซอกหาพระใจปิดดกมันอยู่สุดใดเนาะอยู่หน้าใดเนาะตัวอักษรมันอยู่ย่อหน้าบ่เนาะบ่ต้องซ่อกบ่ต้องไปซอบจริงๆเรื่องนี้นี่แหละยอดของบุญแท้เนี่ ยอดความขวบว่ามีทุกนั่นแหละนี้บุญคือยังยศบุญคือรู้ตัวเหานี่แล้วจีวะยังไงบุญมากที่สุดแหละเนี่ยรู้ตัวเหารู้จากคนคิดเหานี่บุญมากที่สุดหาบุมีอันเปรียบเลยบาปมากที่สุดคือยังเนี่ยบาปมากที่สุดคือคนลืมตัวนั่นแล้วคนบ่ญเห็นความคิดตัวเองนั่นแล้วเป็นยอดบาปมากย่อมมันทุกทุกกับบาปกับอันเดียวกันนั่นเนี่ยบุญได้บุญกับว่ามีทุกอันเดียวกันมันน้อยน้อยคำพูด อย่าไปซอกหสัสวรรค์อยู่บนฟ้าอย่าไปซอกอนิพานอยู่บนฟ้าอย่าไปซอกมันนั้กใต้ดินก็อย่าไปซอกมันเถือเพิ่นสอนให้เขาแก้ปัจจุบันนี่พระพุทธเจ้าเป็นสอนนี่อดีตที่ผ่านไปแล้วอย่าไปสนใจมันอนาคตที่ยังบุทฐนมาถึงอย่าไปสนใจมันแก้ปัจจุบันนี่เมื่อปัจจุบันเป็นอย่างใดอนาคตต้องเป็นยังสัตย์ที่มันเคยคิดยังสัตยก็คิดยังสัตย์อยู่ตลอดเวลาแล้ว เมื่อเขาแก้แล้วมันหายไปได้เป็นอย่างไนที่นำมาเล่าให้ฟังนี่เพื่อว่า